ทรงประชุมสง์บัญยัติศิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกพิสุทชาวบัคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพระเจ้ามหานามะขอร้องพวกเธอว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายวันนี้พระคุณเจ้าโปรดร อ, อก่อนแล้วรอไม่ได้จริงหรือพวกพิกษุทชาบัคีทวนรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า